<c oughs> ฟังทมกันตามการทำเวลาเป็นมงคลฟังทมก็คือฟังการกระทำมาบอกให้ทำเพราะการกระทำมันเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างคืมีการกระทำมีผลของการกระทำเมื่เรามาทำกรรมาฐานเรามาภาวนา คือมากระทำให้มันเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าเจริญสตินเนี่ยก็มีสติจริงๆเมื่อมีสติมันก็เป็นกรรมมีสติเห็นกายประดูกายเห็นกายก็ปเป็นการกระทําที่มีสติเห็นกาย นีสติเห็นความคิดเมื่อมันเห็นเรามันก็มีการกระทาเห็นความคิดเมื่อมีสติเห็นความคิดตัวสติก็ไปเกี่ยวข้องกับความคิดก็สติก็ไปทากับความคิดให้ความคิดไปทากับความคิดให้สติไปทากับความคิดถ้าสติเข้าไปทากับความคิดแล้วความคิดก็กลายเป็น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 มีประสบการณ์มีบทเรียนแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการเจริญสติถ้าสตินี่มันอุ่นอกุณใจมันมีช่นเชิงมันมีความพยภูมที่ดีกว่าถ้าอันนี้ว่าสติได้เห็นกายเห็นใจเห็นความโกรธเห็นความทุกข์เห็นอะไรก็ตาม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 เพราะสติต้องไปสัมผัสได้ทุกอย่างเอาพื้นที่ของกายเป็นสนามก่อนเป็นสนามฝึกก่อนเพราะนัเขาไม่สนามฝึกมาาไม่สนามฝึกยิงปืนไม่สนามฝึกฟุตบอลกีฬาต่างต่างต้องลงสนามถึงเขาวิ่งก็ต้องวิ่้ยงถ้งเาเขาอะไรก็ทั้งหมดนั่นล่ละไม่ปฏิเสธอะไรเลยเจ็บปวด้างไม่เป็นไร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 เป็นริบปรลาดไปนอนริบปรลาดเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นถูกสำคัญมันหมายตัวเองอะไรๆก็จะไปคมจิตถ้าสติยังไม่แก่กล้าไม่มีพลังอาจจงไปเกี่ยวข้องกับมันเคยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนมันจะมายั่วเย้ายั่งแย่อะไรก็ตามอย่าไปยุ่งกับมันมันจะคิดดีคิดไมดีมันจะลูกมันจะไม่ลูก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 ไปสู่โลกแห่งความตายเพราะไม่มีเขาไม่มีวชายังไม่มีสังขารก็ไม่มีสังขารน้ำโลกไม่มีน้ำโลกไม่มีวิทยาศาสตา์วทยาตร์วิทานไม่มีพบสมิชาติไม่มีเทลามรณะโสกับเรทุกปฏิเทวทุกังก็ไปทางหนึ่งอีกนั่นเราเริ่มต้นตรงนี้ตรงความรู้สึกตัวมันก็เป็นวิชา มันก็เลยไม่ไปไหนมันก็กลับมันก็กลับมันก็กลับพอาะรูปมันก็ไม่หลงพอหลง ก, ก็ไม่โกรธไม่โลกไม่มีอะไรทั้งหมดเลยเรามาสร้างเนี่ยทำกับมือของเราเห็นกับตากับของเราเราปิดก็เห็นเราเองเราถูกก็เห็นเราเองเราสุขเราทุกข์ก็เห็นเราเองนี่คือศึกษาของจริงมีการกระทำในตาวกรรมฐาน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 มันก็ว่าสติเนี่ยมันเป็นใหญ่จริงๆงมันทักท่วงอาการต่างๆที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นมี่สติคอยดูคอยเห็นแต่ถ้าทำให้ดีๆนะมันก็ไม่นานนะมันประเดี๋ยวประดาวนะถ้าเราทำดีๆอยา่าอย่า ก, กลกเกือนนะนอย่างไรก็ทักท่วงดูดีๆก็ว่าเรา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 เห็นควาคิดตัวเองบางทีมันบังคับใหาเราลู่นะแต่เราไม่พยายามลู่ลู่มันบันงคับออกไปเลยถ้าดูดีๆนะมันป่าเถื่อนนหมนความคิดบางอย่างเลยจะลองคับได้ทุกเรื่องทุกเราวเลยลองดูดีๆไม่ใช่เราเป็นที่ข้าของความคิดนะวันที่เราก็ไปกับความคิดแต่พื้นแต่พืออย่างนั้นเลย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 เขาก็มาพิสูต์ดีๆที่แท้ก็เป็นแ้้งธรรมดาเพิสูต์แล้วนี่มันไม่ใช่เลยเห็นเดินไ ป, ไปเห็นไม่เครือเถาวางอยู่ถนนหนทางรกว่างงวดเดิไปเลยเห็นงูเห็น ง, งดดูดดดีมงงๆมันงูเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ ง, งูก็ได้มันหลอกเราก็มี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 ของพ่อก็เลยบอกมานานแล้วบอกว่าคือตัวหลงนั่นแหละคือตัวหลงนั่นแหละต้วหลงเราทำไงกับตัวหลงก็คือมาสร้างตัวลูกนี่แหละนี่คือมาสร้างตัวลูกนี่แหละตัวลูกเยเราสร้างได้ไหมสร้างได้ทุกคนทําไมจึงทําได้ทําไมจึงจะทำได้ทําได้พระอาจกรบอกว่าทาเนี่ยปฏิบัติได้ทําได้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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจโดยเหตุโดยผลให้มีความรู้สึกตัวก่อ น, นเหนือนรองปูเทียนเห็นแมลงป่องตกใส่ขาแทนที่จะปัดเลยแมลงป่องมันของเป็นของเก็บปวดมัน่ของกัดคนตอยคนมันปวด้มหลวงปอเทียงก็ดดูมะะแมลงป่องขาเนี่ย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 วันนี้เสียนามนันโอ้ยสาวเวณนาไม่ใช่สัตว์บุคคลเราคเราเขาจิตเจอยไปแล้วหายหลังไปแล้วบอมีค่าเลยเวทนาหาใจก่เอออะไรแบบนั้นะ t e a n OṂ MAṂ MAṂ m a a